ที่เกิดมาในโลกนี้ที่จะไม่เคยเป็นมารดากันไม่เคยเป็นบิดากันไม่เคยเป็นพี่น้องชายกันไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงกันไม่เคยเป็นบุตรกันไม่เคยเป็นทิดากันเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายเลยฉะนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะสามารถละความโกรธได้หรือบุรุษเนี้ยเคยเป็นบิดาของเรามาเมื่อประกอบการค้าขายต้องเดินไปในท้องที่อันตลกันดารเช่นต้องไปด้วย แพ้ด้วยยานพาหนะต้องเหนียรรังเป็นต้นแม้ชีวิตก็ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราขั้นในยามเกิดสงครามประชิดติดพันกันทั้งสองฝ่ายต่างก็เอาตนเข้าสู่สนามรบบางครั้งต้องแล่นเรือผ่านมหาสมุทรอันเต็มไปด้วยพยานอันตรายทำกิจอย่างอื่นซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำได้ด้วยความยากลำบากพยายามสั่งสมทรัพย์ไว้ด้วยอุบายต่างๆ หมายความว่าจักเลี้ยงดูลูกทั้งหลายให้เป็นสุขเช่นนั้นก็คือเอาสิ่งดีๆมาพิจารณาว่าถ้าคนคนนี้เคยเป็นพ่อเราเนี่ยนยท่านคนนี้ก็ต้องประครับประคองเราเลี้ยงดูเรามาอย่างชนิดที่ว่าด้วยความยากด้วยความลําบากการมองลักษณะอย่างนี้เขาเรียกอุบายก็คือต้องการที่จะละพยาบาทหรือละความโกรธนั่นเองแต่ถ้าถามบอกว่า เ อ, อเราจะสามารถคิดในเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมว่าเออคนคนนี้เคยเป็นแม่เรามานะคนคนนี้เคยเป็นพ่อเรามานะนะถ้าเราคิดอย่างตามภาษาความรู้สึกของเราเราก็เออไม่น่าเป็นไปได้แต่ถ้าอาศัยจากสังสารวัตรบอกเออเรานี่เกิดมาไม่ใช่เพิ่งชาติเดียวนี้เนะียในสังสารวัตรนี่มาเราเกิดมาอย่างยาวนานดนะ้วยฉะนั้นมันก็หมุนเวียนกันไปลักษณะอย่างนี้บางครั้งก็ดีกันบางครั้งก็โกรธกันอยู่ ลักษณะอย่างนี้พอพิจารณาอย่างนี้ก็จะสามารถละพยาบาทได้ประการที่8ดอุบายในการที่จะละความโกรธนี่เนีพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวในเรื่องของอนิสงส์อนิสงส์ของการเจริญเมตตาเขาไว้บอกว่าการเจริญเมตตานี่มีอนิสงส์สิบเออย่างเออถ้าหากว่าเจริญได้แล้วนี่นะสามารถจะมีอนิสงส์สิบออย่าง สุ ข, ขังสุ ป, ปติสุ ข, ขังปฏิพุทธตินาปาระกลางสุ ป, ปีนางปัสติมนุสานังปิโยโติอมนุสานังปิโยโติเดวตาระคันตินักสนาสาคีวาวิสังวาสตังวากรรมติตูถังกิตังสมาธิมุขวรนโนวิบัติสติอสานมุนโอกาลางังกโลติอุดริงอัปติวิชันโตเป็นต้นเหล่านี้นะเขาเรียกว่าอั น, น, นิสขของสิบเประการสุขขังสุปติเนี่ยเขาเรียกว่านอนเป็นสุข ออา น, นิสงส์สิบอดประการของเมตตานี่นะอา น, นิสงส์ประการแรกนะี่คือการนอนเป็นสุขกลุ่มบุคคลที่เจริญเมตตาเนี่ยนะีชนทั้งหลายจำพวกที่ไม่ได้สำเร็จเมตตาเจโตวิมุตต์คือไม่ได้เจริญไม่ได้อบรมไม่เจริญเมตตาภาวนาะเมื่อนอนก็ไม่นอนไม่นอนอยู่แต่ข้างขวาข้างเดียวคือปกติคนพี่เป็นโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็อนอนตะแคงด้านขวาเนะี่ยเออมีใครนอนตะแคงด้านขวา ก็นอนตะแคงด้านขวานี่แต่ถ้าคนไม่เจริญเมตตาจะนอนกลิ้งกลับไปกลับมารอบตัวเลย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ใครนอนอย่างนี้บ้างไอ้นอนกลิ้งก็พราะว่าเนี่ยที่ตามมาจากการนอนกลิ้งก็คือนอนกลนไอ้ตรงนี้มันบากเกนันดปเนอนนอนกลนทีนี้ถ้านอกจากกลนก็คือขนาดเมื่อนอนก็หายใจเข้าหายใจออกเสียงดังดังแรงๆเลย อันนั้นบ่งบอกชัดเลยนะว่านอนเป็นทุกข์หายใจเสียงดังแบบยางเร็เรงแรงเลยนะนอนกรนเนะ่ะบางทีเป็นเครื่องยอนต์วิ่งเลยเนะี่ยแค่นั่งก็รู้แล้วบางคนนะแค่อยางถ้านั่งนั่งรถไปไกลๆเนะีย่ยไ า, าคนจะนอนหลับไไก็จะสังเกตได้ว่าคนมีเมตตาไม่มีเมตตาหรือว่าคนระมัดระวังตัวในการนอนดีดย เดี๋ยวกลนคลอกเลยถ้านั่งนั่งลงนั่งอยู่กับกลอนอุ๊ยแต่คนเขานอนกําหนดนี่เขาเขารู้สึกตัวเนี่ยเขานอนไม่มีไม่มีอาการกลนหรอกถ้านอนกลนนะ่ะบง่งบอกได้เลยว่าไม่ได้เจริญอบรมเมตตาอะไรต่อเนื่องหรือเจริญได้ไม่ต่อเนื่องนี่เป็นอย่างนี้คือนอนแบบคนลืมตัวเนี่ยลืมลืมตัวเลยนักปฏิบัติเขาไม่ลืมตัวนอนนะก็นอนเขากาหนดไปจน หลับไปเลยนี่เขาเรียกว่านอนแล้วไม่รวนทุลายประการที่สองก็คือตื่นเป็นสุขชนเหล่าอื่นที่ไม่ได้สำเร็จเมตตาเจโตวิมุตตเนะหรือไม่ได้อบรมเจริญเมตตาโดยเหตุที่นอนเป็นทุกข์ไม่ได้รับความสุขในขณะที่นอนหลับทีนี้เมื่อตื่นขึ้นมาก็ทอดทอดถอนจิตใจอย่างใหญ่หลวงเลยหน้าจะียวบังบิดไปบิดมาเนี่ยนะเขาเรียกว่าตื่นขึ้นมาก็น้าตาบูดเบ้งแล้ว ประเภทที่ใครอยาไปเคาะกระตูเรียกนี่ยอันนี้ชัดเลยเนี่ยบ่งบอกได้เลยคือพ อ, พอเรียกปุ๊บเนี่ยมีการบิดก่อนหรือว่ารู้สึกตัวมานี่ ย, ยังไม่ตื่นยังไม่แต่ถ้าคนเขาเจริญเมตตาเนี่ยเขาเรียบรอย้อยนอนก็เรียบร้อยตื่นก็เรียบร้อยเออนี่เราก็สังเกตดูตัวเราไม่ยากเลยใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะตื่นมางุญญ่นหยีดไหม รีบไปดูกระจกกันรู้หน้าตาบูดบึง้งลึกตอนนี้ตอนนี้กระจกไว้ใกล้ๆดูหน่อยนะแล้วก็จเจริญเมตตาดูแลสังเกตดูว่าเปลี่ยนไปจริงๆมคือเราจะดูดูการไอ้วัฒนาการของการจเจริญเมตตาถ้าเี๊ ม, มาดูกระจกพบเออหน้าตาไม่เศร้าหมองเออถ้าอย่างนี้เริ่มได้ผลแล้วถ้ายัางเศร้าหมองอยู่แสดงว่าเผลอไปสลักคืนเอาใหม่ตั้งใจไปเรื่อยๆไงเดี๋ยวก็ทำได้ เออต้องต้องฝึกใหม่หมดเลยนะคนเราเนี่ยนเะนี่ยตรงเนี้ยต้องฝึกใหม่หมเลยเขาเรียกว่าตื่นเป็นนั้นเมตตาวิหารีบุคคล น, นั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนอย่างตื่นขึ้นมาแล้วสบายอาการก็ไม่น่าเกลียดเหมือนอะไรนะการตื่นเนะี่ยเหมือนดอกประทุมที่กำลังแย้มบานอขนาดนั้นเลยดอกบัวเหมือนดอกบัวกำลังแย้มบานโอนะ้โหนีมองจริงๆรีงย ก่อนนอนก็ดูดีอ่ะตื่นนอนก็ดูดีโอ้ดูดีครับการเจริญเมตตาเป็นอย่างนี้มันมีมั น, ม, นมันดีคืออย่างนี้ถ้าก่อนนอนเครียดตื่นมาเครียดนีดไม่อาจประการที่สามก็คือว่าไม่ฝันล้ายนี่สาคัญมากเลยเมตตาวิหารีบุคคลเนี่ยนะฝันเห็นมีมิติดีๆเทียงขวามฝันมีอะไรบ้างพวกธาตุกาเริบอย่างหนึ่ง ก็เป็นเหตุถึงความฝันดินน้ำไฟลมมันไม่สมดุลอาหารที่บริโภคมากเกินไปนั้นอย่างนี่ น, นะกินอาหารมากเกินไปมันไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยไอ้ท่านอย่างหนึ่งแล้วก็ใจอาวรณ์นั่นอีกอย่างหนึงโอ้คิดถึงเรื่องอะไรมากก็จะเอามาฝันหนะึ่งแล้วก็เทวดาดนใจนี่อย่างนึ่งแล้วก็กรรมบรรดาเ น, นี่ยนะห้าอย่างเนี่ยนะฉะนั้นในเหตุของความฝันเนี่ย ถ้าในกลุ่มของบุคคลที่เจริญเมตตาเนี่ยนะเวลาฝันก็ฝันหรือสุบินนมิตรหรือฝันก็ฝันเห็นสิ่งที่ดีๆเช่นฝันว่าไปไหว้พระเจดีไปบูชาพระรัตนตรัยไปฟังเทศเอาถามเนี่เราท่านทั้งหลายเนี่ยนะที่ฟังธรรมมากันมาหลายเสาเนี่ยนะหลายเดือนและหลายปีเคยฝันว่านั่งฟังธรรมบ้างไหมเอาอย่างี้ดีกว่าใช่ไหม <Jub ilee> <use. S 1> Look, ถ้าขนาดว่าเคยฝันแสดงว่าอย่างนี้บุญเกิดนะขนาดฝันก็บอกโอยตั้งแต่นั้นมาไม่เคยฝันเลยนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะนะเขาเรียกว่าใจใจมันน้อมน้อมฝันแล้วฝันก็ฝังทำฝังฝันว่าทําบุญในถ้าคนเคยฝันในลักษณะอย่างเนี้ยฝันอย่างนี้เป็นกรรมนะเป็นกุศลกรรมเป็นสิ่งที่ดีนั้นถ้าจะฝันก็จะฝันลักษณะนี้ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ฝันเลย ไม่ใช่ว่าหลับไปฝันอะไรก็ไม่รู้ไปมั่วเลยอย่างนี้อันนี้บ่งบอกเลยว่าไม่ได้เจริญเมตตาประการที่สี่เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเมตตาวิหารีบุคคลเนี่ยนะเป็นที่รักของมนุษย์คือเป็นที่รักใครเป็นที่เจริญใจของคนทั้งหลายเอาอย่างนี้ดีกว่านะว่าถ้าเวลาใส่สร้อยมุกดาใส่แหวนใส่เพชรเน้นจินดาเนี่ยนะ เวลาสวมใส่ไว้ที่คอที่หน้าอกเลยหรือเอาดอกไม้ประดับไว้บนศรีรษะเนี่ยเป็นที่เจริญใจแก่คนทั้งหลายไหมเป็นหรือไม่เป็นใครเห็นพวกเขาก็เจริญใจเขาก็ชื่นใจเขาก็ชอบใช่ไหมเขาเห็นอู้สวยงามนะีอะไรเงี้ยคือเขาเห็นเครื่องประดับทีนี้คนที่เจริญเมตตายิ่งกว่านั้น เวลาเขาเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยไม่ต้องมีเครื่องประดับแบบเขาเชื่นใจแล้วบางทีเขาก็นึกถึงอยู่ตลอดเวลานะัคนที่เจริญเมตตามากๆเนี่ยมีแต่คนคิดถึงเมื่อไหร่คิดถึงว่าจะมายืมเงินนะเม่อไ่ก็คิดถึงแล้วคือเขาเขาสบายใจเขาเขาได้เห็นแล้วเขาสบายใจเวลาเขาไปพูดคุยด้วยไปสนทนาด้วยเขามีความสุขบางทีเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยเขาสบายใจเอางี้ดีกว่าว่า ในหลวงนี่มีแต่คนอยากเห็น น, ะนี่เขาเจริญกลุ่มท่านท่านเจริญเหล่านี้มาเยอะนะแต่ท่านไม่ใช่เพิ่งเจริญชาตินี้นะท่านเจริญมาหลายชาติแล้วใช่ไงนั้นเราเราก็มาพิจารณาอย่างนี้ว่าบางบางคนนี่ถ้าจะไปที่ไหนก็มีคนก็าอยากจะชื่นชมก็เหมือนมีสร้อยมุกดาเหมือนมีแก้วมณีเหมือนกับมีดอกไม้ประดับไว้บนที่ษะกดงนั้นถึงบอกเป็นที่รักของมนุษย์ ประการต่อมาก็คือเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเมตตาวิหารีบุคคล เ, เป็นที่รักใคร่ของมนุษย์แล้วยังไม่พอเนี่ยยังเป็นที่รักของอมนุษย์ด้วยเออในเล่าเรื่องหนึ่งให้ได้พระวิสาขาเถระเดิมทีเดียวเนี่ยท่านเป็นเครือขัดนะเป็นครหาบดีคําว่าเป็นครือาบดีเนี่ยก็แปลว่าเป็นคนมีเงินเป็นกูดุมพีอยู่ในเมืองของปาตาลีบุตรในชมพูทวีเป็นคนรวยเนี่ยนะ ทนี้เมื่อเขาอยู่ในเมืองปาตารีบุตรเน่ก็ได้ยินข่าวเขาเล่าลือกันบอกว่าเออที่ลังกาทวีปเนี่ยนะเป็นประเทศที่ประดับประดาสง่า ง, งามไปด้วยระเบียบพระเจดีมีความรุ่งเรืองอลามไปด้วยผ้ากาสาวพัดในลังกาทวีปนั้นใครๆก็ตามสามารถที่จะนั่งหรือจะนอนได้อย่างสบายปลอดภัยตามที่ตนเองประสงค์สปายะทุกอย่างอากาศก็สปายะ เสนาสนะก็ส ป, ปายาบุคคลก็ส ป, ปายะธรรมะก็ส ป, ปายะเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในรังกาทวีปแม้พอพูดอย่างนี้แล้วมันทุกวันนี้มันไม่มีไงเมืองแบบนี้เมืองที่มันส ป, ปายะระดับอย่างรังกาทวีปในยุคเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยประเทศศรีรังกาเนี่ยแต่ก่อนนี่ส ป, ปายามากนะีอากาศส ป, ปายะเสนาสนะก็ส ป, ปายาคือที่อยู่สะดวก แล้วก็บุคคลก็สปายะก็หมายความว่าคนอยู่ในศีลในธรรมกันนั่นพนระพระพรหันเยอะยุคนั้นเนะ่ยเขาบอกอาสนะที่ปูลาดตามจุดต่างๆเป็นพันๆหมื่นๆที่ที่ปูไว้หรือแต่งทําไว้ให้พระไปนั่งปฏิบัติไม่มีอาสนะไหนเลยที่จะไม่มีพระลานคนที่ไปนั่งพิจารณาแล้วได้บรรลุ ก, กันเป็นแถวหมดเลยฉะนั้นไปเดินเหยียบในที่ที่ประเทศลังกาในยุคนั้นเนี่ย ที่พระอรหันต์เคยเหยียบเดินกันทนะั้งนั้นนี่เขาเรียกส ป, ปายะธรรมะก็ส ป, ปายะหาได้ง่ายมากไปที่ไหนอะพระเจดีเต๋อไปหมดนะสมัยก่อนก็นิยมสร้างพระเจดีห mm hmm. ร, รือเปล่าพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาว่างั้นเลนี่เขาเรียกว่าสปายะแล้วก็บอกว่าต้องการจะไปนั่งตรงไห น, นสะดวกสบายของเอาไปวางไว้ตรงไหนมันก็ไม่หายอย่างทุกวันลองดูดิมานั่งฟังธรรมะ ลองเอาเงินทองไปวางไว้ข้างนอกเรียร้อยใช่ไ้ยนี่มันไม่สบายใะอันนี้ไม่สบายใจบางแห่งบางวัดก็บอกไปนั่งก็มาถานเนี่ยเอากระเป๋าสะตางวางไว้ข้างหน้าห้ามหลับตาหลับตาเดียวหายก็อูเลยโบากขนาดนั้นแล้วน่ากลัวจริง่ยต่อไปความสุขมันก็น้อยลงน้อยลงทีนี้กุดมพีเนี่ยวิสาขะเนี่ย ที่เป็นเครื่องบดีเนี่ยตัดสินใจมอบกองทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรภรรยาก็าทิ้งให้หมดเลยมีทรัพย์ทั้งหลายสิบกอดเขาก็บอกไม่เอาแล้วยกให้ภรรยายกให้ลูกหมดแล้วก็มีทรัพย์ขอดติดชายผ้าอยู่เพียงกระหาปัะหาเดียวหัวใจถึงมากเนะี่ยหัวหามาทั้งชีวิตแล้วบอกไม่เอาแล้วเอาหนึ่งกระหาปนะหนกล้าทํำ ไ, มไหมเนี่ยใครกล้าทำเลย โอ้เก่งมากนะโอหามาแทบแย่เลยเนะี่ยบอกว่าถึงบ้านปลายชีวิตบวกไม่เอาแล้วจะไปจะไปบวชแล้วเอาไปหนึ่งกหาปะหนะออกจากบ้านไปคอยเรืออยู่ที่ท่าหมหาสมุทรประมาณเดือนหนึ่งเดือนไม่ออกง่ายเนี่ยแล้วมีเงินอยู่บาทเดียวเงคิดเดียวหนึ่งกหาปะหนะประมาณบาทสมมุติ่ะสมมุติว่าเป็นบาทเดียวที่จริงมันมันหลายบาทนะกะหาปะหนะมีแค่หนึ่งกหาปะหนะแต่ต้องไปอยู่เดือนหนึ่งก็ทํายังไงรู้ไหม โกดมพีวิสาขาเนี่ยเป็นคนฉลาดในเชิงโวหารเออเป็นคนพูดพูดฉลาดพูดเขาก็ได้ซื้อสิ่งของหน้าที่นี้ไปขายหน้าที่นังนใช้หนึ่งกหาปะหนะถ้าม า, ากินได้เอาสิเอาไปซื้อของอีกที่หนึ่งเอาไปขายอีกที่นึงรวบรวมทรัพย์ได้ถึงพันกหาปณะาภายในเดือนหนึ่งเท่านั้นเดือนหนึ่ง เ, เขาหาเงินได้หนึ่งพันทั้งนี้ด้วยการค้าขายที่ชอบทํำเนี่ย ต่อมาเขาก็ได้ขึ้นเรือไปยังวัดมหาวิหารในรังการทวีโดยรือนดับพอไปถึงแล้วท่านก็ขอบวชเมื่อพระอุปชาพาเข้าไปยังสีมาเนี่ยเพื่อจะทำการอุปสมบทหรือบวช เ, เขาก็เลยเอาทำหอ่หอห่อรัพหนึ่งพันกระหางไปะนะล่วงลนภายในเรลียวผ้าตกลงที่พื้นคือเงินก็เลยตกลงมาใช่ไหมในขณะที่เดินก็ไปในโบสถ์เนี่ย พระ อ, อุปชายะก็บอกว่านั่นอะไรเขาก็บอกว่าท ร, รัพย์จํานวน 1, หนึ่งพันกหาหันะ่นพระอุปชายะเขแนะนําบอกว่าอุบาสกท ร, รพัรรพย์นี้บัตรนี้นับแต่เวลาที่บวชเธอไม่อาจจะใช้จ่ายได้จงใช้จ่ายเสียเดี๋ยวนี้เขาบอกเออถ้าบวชแล้วไม่ได้ก็ห้ามพระเขาไม่ให้พระใช้จ่ายมันมันเป็นอาบัตมันผิดจริงๆย่งเงินเนี่ยไม่ควรให้พระเกี่ยวข้อง ถูกต้องอย่างพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะอย่าไปให้พระเกี่ยวข้องเงินดีดีที่สุดถ้าพระมีเงินไม่ไดีพระมีเงินไม่ดีพระต้องไม่มีเงินถ้าพระมีเงินเดี๋ยวคิดมากเดี๋ยวพระคิดมากแล้วมันมั น, ม, นมันวุน่นที่ที่มีปัญหาเพราะว่ามีเงินถ้าไม่มีเงินเสียนเนี่ยสบายแล้วก็ไม่มีเงินจะทําไงเงินต้องไม่ให้มีนี่เป็นอย่างนี้แล้วแล้วุ ถ้ามาพิจารณาตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยเอมคนไม่ค่อยทำตามกันเนก็เดือดร้อนก็เดือดร้อนในเรื่องเงินเนเดือดร้อนกันเนยอะทีนี้แต่ว่าเขามีแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยแต่เขาจะต้องแต่เขามีเหมือนเป็นวยวยากรกันเน่เขาจะอันนี้เขาจะดูแลค่าน้าค่าอะไรต่างๆให้ทงังแค่นั้นน่พอแล้ว ไม่ต้องมีอะไรมาท่านต้องการจะศึกษาวัตถุมต้องการจะอะไรต่างๆล้วก็อำนวยความสะดวกให้ทำศรัทธาตามอะไรถ้าทำแค่ตรงนั้นนะถือว่าโอเคแล้วอันนี้ถ้าไปบอกว่าถ้าไปให้มีเงินมีทองยะยุ่งเลยเนีเดี๋ยวอะไรตามมาเยอะทำไม่ให้มีแต่ทีแร ก, กด้วยเลยดีนี่เหมือนกันน้เพราะมันไม่ถูกต้องตามวัตถุมินี่ยทีนี้ท่านก็เลยคิดบอกว่า ซับจำนวนหนึ่งพันกหาบรรณะเนี่ยนะท่านก็คิดว่าคนทั้งหลายที่มาในงานบวชของวิสาขะอย่าได้มีมือเปล่ากลับไปเลยท่านคิดอย่างเนี้ยครั้นแล้วท่านก็แก้หองรับนั้นหวานโปรยทานใน โ, โวูโวสดแล้วก็บรระชาวกันทงหมดบอเออถ้าใครมางานบวชของตอนเองอย่าได้มีมือเปล่ากลับไปนโปรยเงินเลยทุกคนก็เก็บเงินกันทงสัยเป็นเพราะอย่างนี้แล้วมั้งเลยเป็นประเพณีมาเลย สงท่านวิสาขานี่แหละเป็นคนแรกเลยเลยมีการโปรโยทานบวชกันด้วยทุกวันเนี่ยวิ่งชนกันหวัวเลยลำบากเลยทานอะไรก็ไม่รู้วิสาขาภิกษุเมื่อบวชแล้วได้ห้าปีเนี่ยก็ท่องมาริกาทั้งสองคือภิกขุปาติโมกและภิกขุนีปาติโมกได้อย่างคล่องแคล่เวเฮิ่นบวชห้าปีนี่ก็บวชแล้วเรียนก่อนห้าปีก็ศึกษาพระธรรมอยู่ห้าภาษาเนี่ยนะแล้วก็เตรียม เรียนเอากรรมาฐานเป็นที่สปายะเหมาะแก่ัธยาสายของตนแล้วก็ไปไ ป, ไปมามาหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาอยู่วัดละสี่เดือนอยู่วัดละสี่เดือนน่ยอยู่วัดนี้สเดือนวัดนั้นสเดือนเป็นต้นเหล่านี้นะปีหนึ่งได้สาวัดจริงๆเขาผัดเปลี่ยนไปอยู่ตามวัดต่างๆวันหนึ่งได้เห็นสถานที่ระหว่างป่าอันเป็นที่ระมนียสถานน่ารื่นลมแห่งหนึ่งนั่งเข้าสมาบัต หน้าที่ต้นไม้ต้นหนึ่งในระหว่างป่าณนะ์แล้วก็ออกจากสมาบัติขณะที่อยู่ระหว่างปา่าพิจารณาดูคุณของสมุทัยของตนแล้วก็เกิดปีติโสมนัตบรรลือศีณากล่าวเถระพาสิทธว่าตลอดเวลาที่เราได้อุปสมบทมาเนี่ยระยะเวลาที่เราบวชมาอยู่ณที่นี้ความประมาทพลาดพลั้งของเราในระหว่างนี้ไม่มีเลยช่างเป็นลาภของเราแท้ๆเนาท่านผู้นี้ทุก์ พระวิสาขาเถระเมื่อเดินทางไปยังจิตตะลาบันพศขั้นไปถึงทางแยกสองแห่งยืนคิดอยู่ว่าทางที่จะไปวัดจิตตะบรนพศนั้นจะเป็นทางนั้นหรือว่าทางนี้หนอะขณะนั้นรุ ก, กเทวดาที่สิงอยู่บนภูเขาได้เหยียดพระหัตถออกแล้วก็บอกกับพระเถระว่าทางนี้เจ้าค่ะโอ้เทวดาบอกเลยเนี่ยบุญเนะีเทวดาบอกทางพระเถระก็ไปถึงวัดจิตตะลาบันพศ แล้วก็อยู่ในที่นั้นครบสี่เดือนในคืนสุดท้ายก็ตั้งใจว่าคําว่าจิตละบรรพจนี่คืออยู่บนเขานิ่งพรุ่งนี้เราจะต้องไปแต่เช้าแล้วจึงเตรียมตัวจําวัดลุกเทวดาตนหนึ่งสิงอยู่บนต้นแก้วตรงปลายทางจงกลมที่ท่านพระเถระเดินจงกรมทุกวันลุกเทวดานั้นก็มานั่งร้องไห้อยู่ที่ขั้นบันได อยู่ตรงที่จงกรมเนี่ยนะพราะเทลัจึงถามว่าเออนั่นใครเนี่ยเทวดาก็ตอบว่าดิชันมณิลยยาคำว่ามณิลิยาเนี่เป็นชื่อของลุกเทวดานะกะเทลัก็ซักว่าเธอร้องให้ละไมื่เทวดาก็เรียนว่าเพราะอาศัยเหตุที่พระคุณเจ้าจะจากไปเจ้าค้าพระเทลัก็ถามว่า เมื่อฉันอยู่นะทีนี้เป็นคุณประโยชน์อะไรแก่พวกเธอหรือเทวดาก็เรียนต่อบพวกท่านเข้าเมื่อพระผู้เป็นเจ้าอยู่พื้นที่ที่ตรงนี้พวกเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายต่างก็มีเมตตาอารีต่อกันเรื่อยมองเห็นอย่างเนี่ยคือตอนที่พระเถระอยู่เนี่ยโอยคนที่ขัดแย้งกันเน่ยก็เลิกการขัดแยง้งคนที่ไม่ถูกกันเน่ย ก็หยุดการทะเลาะวิวาสกันหันมาดีกันเนี่ยเพราะ ง, งั้นแต่บัดนี้เมื่อพระคุณเจ้าจะจากไปแล้วพวกเทวดาและมนุษย์คงจะต้องทําการทะเลาะวิวาสกันเหมือนเดิมเออตรงนี้เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องทําให้เราเห็นเดีวว่าสมมุติถ้าเราอยู่ในบ้านใดเนี่ยถ้าเราเจริญเมตตาเนี่ยบ้านนั้นไม่ทะเลาะกันเออตระกูลใดเจริญเมตตาถ้าใครมีเมตตาดีๆสักหนึ่งคนน่ยคุ้มครองได้ทั้งตระกูล เอออย่างนี้อย่างนี้ทำได้นะไม่ใช่ไม่ได้แต่ต้องจเจริญเมตตาจริงๆนะหนึ่งรือก็ของแบบนี้มันน่าทำมั้งยัยน่ะนะกลับไปแล้วไปอมล ม, ลมจเจริญเมตตาจริงๆว่าตระกูลไม่ทะเลาะกันนะคือปกติเนี่ยบอกว่ากลุ่มรุกเทวดาทั้งหลายก็พูดจาหยาบคายเสียหายแก่กันแล้วกันแต่ถ้าหากว่าพระคุณเจ้าอยู่สิ่งต่างๆเหล่ า, านี้ต้องไม่มี พระเถระจึงได้บอกแก่เทวดาถ้าชั้นอยู่นที่นี้ความผาสุขสําราญมีแก่พวกเธอชันฉันดีใจมากดังนี้แล้วก็ก็อยู่ที่นั้นอีกสี่เดือนพอครบสี่เดือนแล้วก็จะจากไปอีกเทวดาก็มานั่งร้องไห้อีกเนะี่ยและในที่สุดจริงๆเทวดาเนี่ยเออพระเถระเนี่ยก็เลยต้องอยู่ที่นั่นตลอดไปเลยแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หน้าที่ตรงนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย เล่นไปด้วยอาการอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นที่รักของมนุษย์เลยยังไม่พอยังเป็นที่รักของอมนุษย์ด้วยทีนี้เราก็ไปไปต้องต้องไปฝึกหัดแล้วตรงนี้พิจารณาถึงอนิสงส์ตรงข้อนี้เนี่ก็ไปอบรมไปเจริญไปทําให้มีให้เกิดขึ้นก็โดยหลักก็คือไปบริหารเมตตาให้เกิดขึ้นประการที่หกก็คือว่าเทวดารักษามีสําคัญมาก บุคคลที่เจริญหรือเป็นเมตตาวิหารีบุคคลเนี่ยเนีขาบอกว่าเทวดาทั้งหลายย่อมเฝ้ารักษาบุคคลที่เจริญเมตตาเหมือนมารดาปิดาตามรักษาบุตรตรงนี้ถ้าเราปราถนานะบอกว่าชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเราจะประสบวิบากกรรมหรือประสบเพศภัยแต่เมื่อไหร่ทีนี้สิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยปัจจัยที่เราไม่เห็นตัวนมันเยอะ ท น, นี้ถ้าเราไม่มีคนคอยตามรักษาถ้าเราไปจ้างมีเงินไปจ้างคนอื่นดูแลรักษาเนี่ยมันยังไม่ปลอดภัยนะแต่ถ้าเราเจริญเมตตาเนี่ยเทวดาไม่ต้องจ้างใช่ไหมไม่ต้องเสียเ ง, งินเดือนเนี่ยเขาด้วยโหถ้าเราจะหาคนลูกน้องหาแรงจ้างแล้วต้องจ่า ย, ยางเงินรายเดือนนะแต่ถ้าเราเจริญเมตตานี่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเพียงเจริญเมตตาแค่ น, นั้นแหละแต่มีคนคอยตามดูแลเราคอยคิดดู แล้วนอนหลับก็คนมีคนมานั่งเฝ้าเราเออเราจะไปไหนก็คนมีคอยดูแลคอยป้องกันพยันอันตรายให้แก่เราอย่างนี้ไม่ดีเลยดีหรือเปล่าดีใช่ไหมจริงจริงเชื่อไหมถ้าเราจเจริญเมตตาแล้วเทวดาจะมารักษาเชื่อไหเชื่อหรือเปล่าหัวเราะเชื่อไปเใชอ่อันนี้เป็นพุทธพจน์นะเทวตารักขันติย เทวตารักขันติไปว่าเทวดารักษาแต่ว่ามีข้อแม้ว่าคุณมีเมตตาใจเมตตาในใจนะถ้ามีเมตตาในใจอยู่สม่ําเสมอเนี่ยเทวดาจะคอยตามรักษาอยู่นะเหมือนพระสุวรรณนะสามใช่ไหมเทวดาคอยรักษาขนาดโดนธนูตายไปแล้วยังฟื้นขึ้นมาได้มีเป็นอย่างนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องพยายามบ่มอบรมจเจริญเมตตา ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยให้เป็นไปกับเมตตาอยอะๆแล้วก็มาบวกลบใช่ไหมเมื่อเช้านี่ฟังท่านเจ้าว่าท่านพูดว่าเออโทษเนี่ว่า ง, งั้นเวลาเราจุดโทษเนี่ยไอ้ขี้โทษมันก็หมดไปเลยมันเข้าใจออกมานีอันนี้ไปเจออยู่ในวิปัสสนาไอ้โทษมันมันหมดหมดหมดหมดไปอันนี้มันไอ้ที่มันหมดไปก็กลายเป็นขี้โทษ ไอ้ที่เหลืออู่ไอ้ไอ้ไอ้ทูบมันก็เหลือน้อยลงน้อยถ้ามาพิจารณาดูถ้าเรามาตรึกดูพิจารณาถ้าเรามาสักสี่สิบห้าสิบปีหกสิบปีไอ้ตัวทูบเหลือน้อยแลย้วคีดทูบเยอะเยอะนทีที่ที่มันเหลือน้อยตรงนี้ก็ค่อยมันเป็นไปกับเมตตาอยอะๆที่บอกเป็นไปกับเมตตาเขาเรียกว่าเตรียมตัวแล้วประการที่เจ็ดก็คือไฟยาพิษสตราไม่กล้ามไกล ในตัวของเขาไฟไม่กล้อมกลายเข้าไปในกายของเมตตาวิหารีบุคคลเช่นอุบาสิกาชื่ออุตราเป็นตัวอย่างเออไฟไม่กล้อมกลายนี่ยาพิษไม่ทราบเข้าไปในร่างกายของเมตตาวิหารีบุคคลเช่นจูสีวะเถระผู้ชานาญสังยุตตินายเป็นตัวอย่างสตราไม่บาดร่างกายของเมตตาวิหารีบุคคลเช่นสังกิจจาสมมเนนเป็นตัวอย่างเออถ้าคือ อย่างนางอุตราเนี่ยนางอุตราเนี่ยพวกน้ำร้อนเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่มกล้าไกลนางนที่นางสลีมาเอาเอาน้ำร้อนไปสาดนั้ น, นนางอุตรานี่เป็นบุคคลที่เจริญเมตตาอยู่เป็นนิจสีนีอันนี้พิสูจน์ได้เลยนะไม่ใช่เป็นของพูดเล่นๆนะพูดจริงๆเลยนะแต่แต่มีข้อแม้นะว่าตอนนั้นใจต้องมีเมตตาอยู่นะ ถ้าใจถ้าตกใจหรือเสียใจหรือใจเสียเนี่ยอันนี้ไม่ป้องกันไม่รับกันแต่ถ้าใจมีเมตตาอยาู่เนี่ยเนี่ยเอาน้าร้อนสาบเลยเออเป็นอย่างนั้นด้วยนะโอ้มันเป็นอย่างนั้นคนไม่คนจริงๆแล้วขอให้ใจมีเมตตาจริงๆแต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่ตกใจคือนางอุตลาที่บอกว่าไปจ้างนางสิริมามามเป็นภรรยาของสามี แต่ทุกวันนี้ยังไม่เคยเจอในเรื่องเรื่องที่บอกได้ได้ไดสามีแล้วต่อมาอยากจะทำบุญสามีเป็นวิชาทิฏฐิในช่วงเข้าพรรษาพอถึงเวลาในวันออกพรรษานี่แหละก็จัดใหญ่เพราะว่าจะครบกำหนดแล้วโอ้ยตัวก็แปดเปื้อนมอมแแมมไปหมดนะเนี่ยนางอุตราเนี่ยนะสามีขึ้นไปอยู่บนช่องหน้าต่างก็มองดูภรรยาตนเองแล้วก็หัวล้อ นึ่งในใจหญิงถอยเอ๋ยเนี่ยนะโง่จริงๆว่าว่าภรรยาตัวเองนยทรัพสมบัติก็มีเงินทองก็มีแทนที่จะหาความสุขในชีวิตประจำวันกลับไปทนลำบากเพราะสมณะสิสาโรนเนี่ยเออก็หัวเาะส่วนนางสด็มาก็นึกโกรธเคืองขึ้นมาว่าเราประคบประงมมาเนี่ยนะเลยสำคัญว่าเป็นสามีของตัวเองจริงๆ คนเราเวลาทำไปทำมามันเพลินกงนมันสำคัญผิดนึกวนี่ใช่ของเราอะไรเงี้ยเนยวตั้งสามเดือนใช่ไหมอยู่อยู่ตั้งสามเดือนก็เลยสำคัญทึกทักก็เห็นเงินโกรธเลยนึกว่าเ อ, อ้ยยังไปยินดีกับหญิงคนนี้เราสวยขนาดนี้ไปที่นางกำลังทำอาหารอยู่ใช้กตักน้ำร้อนแล้วก็พอเดินเข้าไปเนี่ยนางอุตาลาโูแล้ว ก็ยืนสงบนิ่งแล้วก็ทําเมตตาให้เกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กันานางสรีมันบอโอ้พ่อได้นางนี้เองเราจรึงได้มีโอกาสทําบุญกับพระผู้มีพระภาคจ้าเป็นต้นเหล่านี้นะฉะนั้นขอให้นางมีความสุขความเจริญเรืองต่างๆเนี่ยนะเออเป็นน้ําธรรมดาเลยนะพระศาส菩萨มาเป็นน้ําธรรมดาเลยอันนี้ต้องทดลอง <laughs> ต้องทดลองเอาใครเดียนไม่ ลองลองน่าอุ่นๆก่อนนะคือปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าทําเมตตาให้เกิดไปที่ใจยังต่อเนื่องได้ไหม